ทงแฝกที่เราจะตัดออกอยู่ทางด้านไหนละ่ะกลางเชิดฐานขึ้นเรียบๆน้องชายกลางชี้มือไปทางตะวันออกเฉียงเหนือต่ตออทางด้านนี้แหละครับพี่ใหญ่เดินในป่าไผ่นี่อีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงก็จะทะลุออกแล้วพี่ชายใหญ่ของคณะผู้ก็จัดประช่อมชองป่ามาแล้วตรวจดูทิศทางลมแล้วว่าถ้างั้นเราก็อยู่ใต้ลมมันไม่เป็นไรหรอก เตือนทุกคนให้ระมัดระวังหน่อยแล้วกันมันเองก็คงยังไม่ทันจะรู้ตัวว่าพวกเราก็เดินไปในทเส้นทางเดียวกับมันแล้วอ่านรุดหน้าไปเรื่อยๆตามประษามันคงไม่หากินอยู่ในบริเวณทุ่งแฝกแล้วตอนนี้ก็ตะวันสายเต็มทีแล้วก็ไม่แน่นะายใหญ่นานอินบอกเสียงขึ้งๆปากก็ยังเคี้ยวหมากอยู่หยับหยับในทุ่งล่งขัางหน้า ที่เราจะปลูออกมันมีทั้งเนินหญ้าที่แตกระบัดแล้วบางแห่งก็มีลมมีปลักโคลนมันก็อาจไปหาย่าระบัดแล้วลงนอนแช่เย็นในโคลนก็ดัแรงหน้าไม่มีในทุ่งก็จริงแต่ลมโคลนน่นมีเอาเนะะัญหาเล็กแค่นี้เองระวังตัวกันหน่อยแล้วกันอย่านำเฉียดเข้าไปใกล้เนินหญ้าระบาดหรือลมโคลนนั้นยิ่น่าจะรู้ดีอยู่แล้วนี่ ว่ามันมีทางเลี่ยงได้ยังไงบ้างเอาละตัวลุงเองไปนำพวกนั้นอยู่ข้างหน้าแล้วกันพระครูนันอินไม่ว่าอะไรอีกเดินพระไปนำหน้าขบวนทันทีอนุชากับพี่น้องและเพื่อนตรวจทิศทางลมเพื่อความแน่ใจอีกครั้งและออกเดินรวมมูตามไปติดๆไม่มีใครคิดห่วงกังวลอะไรมากนักแต่ก็เตรียมพร้อม ชั่วไม่นานของการเดินเลาะลัดไปตามเส้นทางด่านเล็กๆในดงรกูกอันแห้งผากร้อนระอุอ้าวนั้นขบวนทั้งหมดก็พลุออกมายัางบริเวณที่โล่งกว้างใหญ่มองผิวเผินว่ามันเป็นทุ่งราบเรียบมีกำแพงภูเขาหินกัน้นทะมึนอยู่เป็นทิวเบื้องหน้าและเห็นเป็นฉากหลังแต่ความจริงบริเวณที่โล่งกว้างนั้นอุดมไปด้วยหญ้าคาพงเสือหมอบและทุ่งแฝก บางส่วนก็เป็นตาลูกเดือยสลับไปกร ะ, ะมเอะเล็กๆ เ, เป็นไม้ลม้มลุกที่ไม่ใช่ไม้ยืนต้นแต่ในระดับสายตาปกติแล้วมันไม่สามารถจะมองเห็นพื้นที่ในระดับต่ำราบเรียบโปรงตาตลอดไปได้เพราะยอดวัชพืชเหล่านั้นสูงท่วมหัวลมสงัดตะวันแฝงตัวเข้ากลีบเมฆ นกต้อยติวิตตื่นตกใจส่งเสียงร้องและบินพรูขึ้นมาเป็นระยะระยะนานอินนำคณะลูกหาเดินแหวกพงหญ้าคาและยญ้าขนไปได้ครู่หนึ่งก็ตัดออกบริเวณที่โล่งเกลี้ยงขึ้นบ้างพอจะมองเห็นอะไรในระดับสายตาไปได้ในทัศนวิสัยที่กว้างไกลขยินเดินหยุดท้ายขบวนลูกหาส่วนคณะของเจ้านายทั้งสี่ เดินตามหลังมาอีกทีหนึ่งเป็นกลุ่มเว้นระยะไม่ห่างจากขบวนลูกหาบเท่าใดนะักอากาศยิ่งร้อนระอุขึ้นทุกขณะเพราะกลางที่โล่งอันมีทิวเขาล้อมรอบซ้ำยังไม่มีลมพัดและตะวันก็ลอยสูงเกือบจะอยู่กลางสีสักแดดประเดียวหุบประดีิวจ้าจนแสบผิวหน้าสุดแต่ว่าเมฆจะลอยมาบางหรือเคลื่อนพ้นออกขีดสีดาเล็ก ที่ลอยคว้างอยู่สูงลิฟขึ้นไปประมาณสิบกว่าขีดเหล่านั้นคือแรงซึ่งกำลังเล่นลมบนระดับของพื้นที่มองผืนผืนว่าอยู่ในแนวราบก็จริงแต่ถ้าจะวัดหาระดับกันแล้วก็จะรู้สึกได้อย่างนักเดินป่าผู้ชำนาญว่าทุ่งกว้างนั้นเริ่มจะเอียงลาดขึ้นไปสู่ส่วนที่สูงขึ้นอันหมายถึงตีนเขาหินอันเห็นเป็นโร ข, ขืนเนินสไล อยู่เบื้องหน้านั่นเองคือจะค่อยๆไต่สูงขึ้นไปทีละน้อยโดยไม่รู้สึกตัวมาขามป้อมและมาหวดยืนต้นเตี้ยๆอยู่กลางพื้นที่โลง่งรอบด้านนั้นเป็นระยะๆะะปรปลายล้วนเป็นอาหารอย่างดีของพวกสัตว์สีเท้าเสพพืชเป็นอาหารทั้งสิ้นซ้ำยังมีโคกอยู่ทางด้านซ้ายมือห่างออกไปราว200เมตรหญ้าอ่อนแตกระบาดขึ้นอยู่เขียวชะอุ่ม แต่เดิมนั้นควรจะเป็นโคกของป่าไผ่และคงเนื่องจากไฟป่าลุกลามเผาผลาญต้นไผ่แห้งกลายเป็นเท่าไปหมดและทอดเวลาได้ฝนเข้าบ้างจึงมีญ่าอ่อนขึ้นนานอินชี้ให้ทุกคนดูเนินหญ่าระบาดนั้นแต่ไม่พูดอะไรต่างมองตามไม่เห็นบีวแววของสัตว์อะไรทั้งสิ้นการเดินคงเลือกเดินไปตามเส้นทางที่เรียบและสะดวกที่สุด ครึ่งทางระหว่างป่าไผ่ที่โผลกันออกมาก่อนจะถึงบริเวณเชิงเขาทา่ามกลางความเงียบนอกจากฝีเท้าเบาๆของคณะทั้งหมดที่ย่ำกันไปบนพื้นหญ้าคาเตี้ยขนาดเขา่าขนาดที่ผ่านละเมาะย่อมย่อมบริเวณหนึ่งดูเหมือนเกาะอยู่กลางทุ่งต่างก็แว่วเสียงอะไรชนิดหนึ่งเคลื่อนไหวดังฝุก ฟ, ฟักฝุกฝก ออกมาจากทางด้านนั้นเป็นเสียงน้ำไหวตัวของสิ่งที่มีชีวิตมีน้ําหนักมากมายอยู่ในปลักตมสี่คนที่เดินอยู่เบื้องหลังหยุดชะงักทันทีส่วนพวกที่เดินอยู่เบื้องหน้านานอินผู้นำอยู่หน้าขบวนก็ก้าวล้ําออกจากหัวแถวหลีกตัวออกมายืนนอกเส้นทางมือของแกก็โบกเป็นสัญญาณให้ขยินต้อนพวกลูกหาบ ให้เดินหน้าต่อไปแต่ชี้ให้เลี่ยงออกไปทางขวาโดยพยายามให้ห่างจากเสียงที่แววมานั้นมากที่สุดอย่างพรานผู้ชำนาญต่อเหตุการณ์อันไม่น่าไว้วางใจกลางป่าไม่มีอะไรที่เงอะงะหรือต้องลำบากใจเลยสำหรับคณะเดินทางทั้งส6บคนที่มาด้วยกันในชุดนี้เพราะแม้จะเป็นเพียงแค่พวกลูกหา โดยแท้ที่จริงพวกนั้นก็คือลูกศิษย์ของระพินยอยู่แล้วทั้งนั้นเพียงแค่สัญญาณตีมืออันเป็นรหัสรู้กันเท่านั้นทั้งชุดก็เบนออกจากทิศทางเดิมด้วยอาการเป็นปกติเพียงแต่ยิ่งเดินกันอย่างรีบด่วนมากขึ้นขยินก็ต้อนไปทันทีอย่างรู้จักหน้าที่ของตนมันแน่หรอกลางเท่ากรกสิบฐานแผ่นชด หรือหมอมราชวงศ์อนุชาน้องชายอาจใช่หรืออาจไม่ใช่ก็ได้ทั้งสองอย่างครับแต่มีอะไรนอนกลือกอยู่ในปลักที่เรายังมองไม่เห็นอยู่ริมริมป่าละมอนนั่นแน่ตัวใหญ่แล้วก็น้ำหนักมากครับอนุชาตอบเสียงแผ่วค่อยๆแ ง, ง้มลูกเลื่อนจุดสี่ห้าแป ที่บรรจุลูกหัวแข็งแบบฟูแผดขึ้นดูแล้วบิดลูกเลื่อนลงตามเดิมนกปืนในลูกเลื่อนก็ขึ้นทันทีที่เขาปิดก้านลูกเลื่อนลงผมว่าพี่ใหญ่น้อยแล้วก็ชัยันเลี่ยงจากเส้นทางนี้ตามหลังพวกลูกหากไปโน่นดีกว่าครับี๋ยวผมกับนันอินจะคุมเชิงไว้เองเพราะถึงยังไงก่อนที่มันจะถึงลูกหัก ก็ต้องผ่านผมหรือหนานอินก่อนแหละกลางพี่ไม่อยากขัดใจเธอนะแต่ป้นหลายกระบอกมันดีกว่าแค่สองกระบอกมีน้ำซ้ำขนาดนี้เธอกระหนานอินก็ยังยืนกันอยู่คนละด้านคนละมุมมันอาจจะวิ่งตัดผ่ากลางมาระหว่างเธอกระหนานอินก็ได้อะไรก็ไม่สําคัญเท่ากับว่าถ้ามันผ่านเธอกระหนานอินไปได้ พวกลูกหากระป่นแน่เพราะทุกคนมีแค่เพียงลูกโซ่ทังนั้นเอานี้ครับอดีตพราญชดพูดเร็วอย่างคนตัดสินใจอะไรง่ายๆเอาเป็นว่าผมจะยืนคุมเชิงอยู่ตรงนี้แหละพี่ใหญ่เดินตามรอยเต่าของพวกลูกหาไปนับจากนี่ไปสักยี่สิบเก้าแล้วหยุดปักหลักตรงนั้นชายันก็เดินต่อถัดไปอีกพี่ใหญ่จากพี่ใหญ่สักยี่สิบเก้า แล้วก็หยุดอยู่เช่นนั้นก็จะเป็นแนวของพวกเราสี่จุดดักขวางทางมันไว้ไม่ให้มันบุกเข้าใส่ขบวนลูกหกัดส่วนน้อยพี่ชายกลางหันมามองน้องสาวคนเล็กซึ่งกำลังยืนสงบนิ่งอยู่ทำว่าแววตาเกรียมกล้านดวงตาแดงํำด้วยประกายแดดจะชื่ออะไรพี่สักครั้งได้ไหมพี่กลายแกน้อยทำไงคะ ขยินคุมขบวนลูกหาดแนบลีกทางไปน่นแล้วไม่มีไรเฟิลสักกระบอกเดียวคุมพี่อยากให้เธอเดินตามหลังพวกลูกหาดแยกไปสักทีแล้วคอยดูด้วยถ้านาทีวิกฤตมันเกิดขึ้นจริงๆโดยไอ้นั่นซึ่งเรายังไม่รู้แน่ว่ามันเป็นอะไรระหว่างมาหิงสาตัวที่เราสงสยัยหรือแรกมันเกิดผ่านแนวปืนสี่กระบอกที่วางไว้ไปได้ เธอส ก, กัดไว้เป็นด่านสุดท้ายก่อนที่มันจะเข้าถึงพวกลูกหาบโอเคไหมโอเคค่ะดารินพูดง่ายเป็นครั้งแรกเหมือนกันพร้อมกับบอกออกมาเป็นประโยคสุดท้ายว่าถ้ายังไงแล้วก็ระวังการยิงพลาดถูกกันเองด้วยนะคะเพราะยืนดักกันอยู่ในแนวแบบนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งชายยันพระบุ่มบ่ามใจร้อนไม่ค่อยคํานึงถึงวิถีกระสุนนกะ กล่าวจบหล่อนก็เด็ด ก, ก้านยากาขนใส่ปากกัดไว้สาวเท้าพละออกจากกลุ่มเดินกวดตามขบวนของลูกหาดที่ขยินนำแยกเลี่ยงห่างจากละเมอด้านซ้ายมือไปในทันทีเชฐาตบไหลน้องชายกลางแล้วพยักหน้ากระชายันให้เดินตามเส้นทางเดิมของพวกลูกหาบพอครบ29เ้าขาก็หยุดชายันนั้นเดินต่อไปอีก29 ก็หยุดเช่นกันแนวของบุคคลทั้งสีคืออนุชาเจฐฐาชายันและพรานครูหนานอินจึงเป็นแนวหน้ากระดานขวางกั้นระหว่างละเมอไม้และพวกลูกหาาที่เลี่ยงห่างกันออกไปรดอพวกนั้นมุ่งเข้าหาเชิงเขาโดยเต็มสติการรู้มือกันดีอยู่ก่อนแล้วไม่ทำให้ใครต้องห่วงใครนะักดารินเดินไปพลางก็เลียวกลับมาดูบ่อย บางครั้งหล่อนก็เดินเอาข้างๆไปโดยสายตามองจับอยู่ในแนวดักของพี่ชายกับเพื่อนและพรานชั้นครูอยู่ตลอดเวลาเพื่อรอดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือไม่ขณะเดียวกันตัวของหล่อนเองก็ห่างออกไปเป็นลำดักเสียงดิ้นพลิกตัวอยู่ในปลักดังรุนแรงขึ้นอีกครั้งหนึง่งพร้อมกับลมหายใจสะบัดพืชได้ยินมาอย่างถนัดแน่ ทั้งสี่คนมือหนึ่งกำกระโจมมืออีกมือหนึ่งกำคอปืนไวบปากระบอกยังเงยสูงสี่สิบห้าองศาแต่ผ่านท้ายพร้อมที่จะขึ้นประทับไลได้ทันทีลมเริ่มโชยแล้วอย่างเบาบางที่สุดจากเหนือผ่านไปทางทิศใต้มนุษย์ทั้งหมดยังกลายเป็นว่าอยู่เหนือลมของมันไปในบัตรนั้น เสียงพวดกลาวนี้จึงดังสะเทือนไปทั้งท้องทุ่งพร้อมกันจากความราบเรียบโปรงโลง่งที่มองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากยอดหญ้าและละมอไม้ร่างสีดำชนิดหนึ่งพอกเต็มไปด้วยโคลนซึ่งจับเป็นก้อนกระบี่โผล่ขึ้นมายืนจังก้าเห็นชัดเกือบเต็มตัวพร้อมด้วยเขาทั้งสองที่งอนงงมีปลายแหลมตหวัดเข้าหากันทา่ามกลางแสงตะวันจ้าเกือบเที่ยง เหมือนใครปั้นก้อนดินเละๆขนาดใหญ่นำมาตั้งไว้มุมบังของละเมาะไม้ทำให้ชัยยันและหนานอินที่อยู่ห่างออกไปเบื้องหน้าไม่สามารถจะมองเห็นตัวได้แต่โดยมุมของอนุชา ก, กับเชิถาเห็นได้ถนัดที่สุดผิดคาดไปถนัดนึกว่ามันจะอยู่ในป่าละเมาะที่ห่างไกลออกไป ที่แท้ขนาดที่มันโผล่ขึ้นมานั้นไม่เกิน40เมตรเท่านั้นเองโคลนหนาที่เกาะตามตัวยังไหลหล่นลงปลักอยู่เพละเพลแงนเบิงสะบัดปลายขาเงยจมูกสูดหากลิน่นเหมือนกับว่ามันไม่แน่ใจในบางสิ่งบางอย่างแล้วก็เริ่มออกวิ่งจยอกยอพื้นทุ่งสะเทือนด้วยน้ำหนักรวมสองตัน มาหยุดยืนหันรีหันขวางโดดเด่นอยู่กลางที่โลกเมื่อ น, นั้นเองชายยันกนนานอินผู้ห่างไปออกไปอีกจึงมองเห็นภาพอันไม่น่าไว้วางใจนั้นไม่ใช่แร่ไม่ใช่กระทิงแต่ถูกต้องตามข้อสงสัยของหนานอินและอนุชาทุกอย่างมันคือควายปา่าหรือมาหิงสาขนาดลูกช้างรุ่น ่วงพีกำยำใหญ่เต็มขนาดของมันเตียกว่ากระทิงที่ใหญ่เต็มที่แล้วเล็กน้อยแต่ตัวอวกกำยำกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่นอคอและแผงอกเขาสวยเหลือประมาณไม่มีรอยหักหรือแหวงวิ่นเลยมีขนาดเท่ากันทั้งสองข้างรวมทั้งรัดสมีความงอนโคง้งลักษณะท่าทีของมันประกาศชัดว่า จะไม่ยั่นต่ออินพรมย ม, มาราชหน้าไหนทั้งสิ้นเชษฐาและชัยยันตวัดปืนขึ้นมาจับศูนย์ไว้แล้วแต่ยังไม่ลั่นไกอนุชากะนันอินถือปืนเฉียง45องศาอยู่ในอาการเดิงทุกคนยืนสงบนิ่งไม่เคลื่อนไหวกระดุกระดิกแม้แต่นิดหน่งคงมีก็แต่ดารินและพวกลูกหาบที่เดินห่างลิบลิออกไปเท่านั้น ที่ยังรีบรุดเคลื่อนไหวกันไปอย่างเร็วที่สุดหนึ่งในจำนวนผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง5แห่งปาภาค พ, พื้นเอเชียเริ่มออกวิ่งเหาะวิ่งช้าๆประเดียวขยโยไปทางด้านขวาแล้วก็หยุดเบิ่งมองประเดี๋ยก็ย้อนกลับมาทางด้านซ้ายพร้อมทั้งหมุนบนไปมาอยู่เช่นนั้นเชื่อในจมูกมากกว่าสายตาและคานับประสาทของมัน ยามนี้ก็ยังไม่สําเนียบชัดว่าสิ่งแปลกปลอมอยู่ตาแหน่งไหนกันแน่เพราะจุจยืนของมนุษย์สี่จุดเป็นแนวขวางกั้นอยู่ทำให้มันไม่แน่ใจเช่นกันว่ากลิ่นมาจากไหนแน่นอนลงไปถึงยังไงก็ตามทั้งเชษฐาและชยยันก็ยอมรับอยู่ในใจว่าพลันชดกนานอินย่อมจะเหนือกว่าตนทั้งสองแน่นอน เมื่อยังไม่มีเสียงปืนจากทั้งสองพรานเขาก็ยังไม่กล้าปล่อยกระสุนออกไปก่อนและอ่านใจพรานชดกะหนันอินออกว่าทำไม่จาเป็นจริงๆแล้วอาจไม่ต้องเสียกระสุนหรือประหัตประหารกันโดยใช่ที่เพราะมันอาจจะเบนหัวตะเลิดไปทางอื่นก็ได้ลมพัดแรงขึ้นสังเกตได้จากยอดหญ้าที่เริ่มไหวลู่พัด จากฝ่ายมนุษย์ไปทางมันซึ่งก็พอดีกับที่ชัยยันผู้จำเอาวิธีการของระพินมาใช้แต่ตัวเองหาใช้ระพินใครวันไม่โดยการตบขากันเกงแรงๆและตะเพิดไล่มันออกไปก้องทุงว่าชู้ชูอภยพนไอ้ถุยชไปอภัพ้น แต่มันไม่ใช่ไอ้ทุยสำหรับไถนาแล้วตัวชายันเองก็ไม่ใช่รับพินไครวันแน่เพราะฉะนั้นเสียงเอ็ดอึงของชายันที่ตะเพิดไล่เพื่อหวังว่ามันอาจจะตกใจหนีจะได้ไม่เกิดเวรกรรมกันขึ้นก็เท่ากับเป็นการฟ้องตำแหน่งแห่งที่วัจุดำดำๆที่ยืนโดลอสายตามันอยู่นั้นหาใช่ต้นไม้หรือตอไม้ไหม มันก็ขั่วปรีอย่างรวดเร็วรายสายฟ้าซึ่งผิดไปจากลักษณะรูปร่างมากพุ่งเข้าไปยังต้นเสียงทันทีแม้จะผ่านเหตุการณ์มาสนักตอนนักแต่ชั่วโมงบินยังไม่พอชั ย, ยันใจหายวาบตกไปที่ตาตุ่เขาเนียวไกปล่อยกระสุนไรเฟิลสวนหน้าทันทีทมันโลอดกระบึงเป็นพายุเข้ามาเสียงกระสุนขนาดหนักระเบิดบึ้มสะเทือนคุ่งผิดหรือถูกไม่ทราบได้ แต่ไม่เกิดปฏิกิริยาใดๆสักร่างมาฮิมานนั้นเลยคงพุ่งเข้าใส่ชา ย, ยัานยังรวดเร็วและบัดนี้มัจจุราชติดเขางงดูเหมือนจะห่างเขาไม่เกินยี่สิบเมตรเท่านั้นเร็วซชจนเขาสลับหลอกลูกเก่าออกไม่ทันซูมถัดไปเป็นเสียงปืนจากเชิฐถาที่ระวังอยู่ก่อนแล้วการยิงไรเฟิลไปยังเป้าหมายซึ่งเคลื่อนที่ยางรวดเร็วแม้เป้าจะมีร่างกายใหญ่โตเพียงไหนก็ตาม ถ้าไม่ใช่มืออาชีพอย่างแท้จริงแล้วจัดว่าเสี่ยงเป็นอย่างมากกระสุนของเชษิษฐาซึ่งหมายไปยังรักแร้ดงของมันยังคลาดไปวาเศษทะลุเข้าท้องคล้อยไปทางเบื้องหลังทะลวงตักของเจ้าไมหิงสาตัวนั้นผ่านเลยเออกไปอีกด้านนึงมันกระโจนเตะขาหลังทั้งสองเศษดินที่อยู่กับพื้นกระจายเป็นฝุ่นขึ้นไปในอากาศราวกับถูกแรงระเบิด มันชะนักไปบ้างเพราะวิตสงบของกระสุนนัดนั้นแต่ไม่เปลี่ยนความตั้งใจที่จะเข้าให้ถึงตัวชายันผู้กําลังคลุกคลักครุกคลั ก, ล, กล่าชาอยู่กับการป้อนกระสุนนัดใหม่เข้ารังเพเลิงเพนเรวชายันเสียงอนุชาตะโกนสุดเสียงก็ เ, เห็นชายันยังปักหลักอยู่กับที่จะเป็นเพราะความตกตะลึงต่อเหตุการณ์หรือความบ้าระหามที่จะยิงนัดที่สองสวนหน้าอย่างเผาขนอย่างใดอย่างหนึ่งก็สุดที่จะเดาได้ พร้อมกับตะโกนนั้นจุด4 5 8ในมือพรานชดหรือหม่อมราชวงศ์อนุชาก็ลั่นไปตามไปเป็นนัดที่สามเข้าหมายไปที่ก้านคอโดยวาดปืนไล่าจากบ้านท้ายไปดักหน้าประมาณหนึ่งสอกการเคลื่อนไหวของมันเร็วมากตำแหน่งกระทบแทนที่จะเป็นก้านคอตามตั้งใจไว้กลายเป็นบริเวณท้องอันกว้างใหญ่อวพีของมัน เสียงกระสุนพุ่งเข้ากระทบแบะโครนที่พอกล้ำตัวของมันกระจายเป็นฝอยเห็นถนัดก่อนที่จะมุดผิวผ่านเนื้อชอนเข้าไปข้างในพร้อมทั้งควานทะลุเลยออกไปอีกด้านหนึ่งไม่ถูกกระดูกใหญ่สำคัญเจ้ายักษ์ผู้มีเขางงไม่ร้องแสดงความเจ็บแม้แต่นิดเดียวแต่มีเสียงฟึดฟัดฟึดฟัดกระโดดกระเดูกระเด ว, กเดวหกหน้าหกหลังหมุนฟาง เลือดจากบาดแผลทั้งสองตำแหน่งเริ่มไหลรินเขาทั้งคู่ของมันตักอากาศอยู่วืดวับนั้ น, นอิมนั้นได้เป้าหมายสมควรจะยิงแล้วแต่เนื่องมาจากแกยืนอยู่อีกฟากหนึ่งและควายป่าตัวนั้นอยู่ในแนวเดียวกับเชษฐาและชยันความรอบคอบทำให้แกไม่กล้าแตะไกลปล่อยกระสุนออกไปได้เพราะไม่แน่ใจว่าแนวกระสุนจะไปถูกเอาเชธธาิฐาหรือชัยันหรือไม่แค่สิบวาเท่านั้น ที่มันคำรามลั่นเข้าใส่แชยันโดยไม่เปลี่ยนเป้าหมายอดีตนายทหารปืนใหญ่เพิ่งจะปิดก้านลูกเลื่อนลงได้แล้วยกขึ้นไหลยืงจังก้ายิงสวนนัดที่สองซึ่งเขาก็รู้ว่าท่านนัดเอวังก็มีเห็นจะเป็นด้วยประการชนีสำหรับชีวิตตัวเองนัดนั้นปุ้มเข้าไปที่สันหน้าผากอันเป็นบริเวณกระดูก ไม่ได้เจอะเข้าช่องสมองแต่อันน้าผลักดันกว่าสองตันทำให้มันหน้าแงนเริด้ดถล่มลงทั้งสี่ขาล้มลงไปกับพื้นหญ้าแหลกเป็นแปลกชา ย, ยันเข้าใจว่ากระสุนผาประโลกจบสิ้นเกมลงแล้วแต่ความจริงมันไม่ใช่มันล้มลงแค่พริบตาเดียวเท่านั้นแล้วก็ทะยานขึ้นมาอีกอย่างทรหดสุดริด คราวนี้ก็เป็นคราวที่เขาจะต้องใส่ตีนหมาโกยแนบะอย่างไม่เหลียวหลังโดยมีควายป่าซึ่งกำลังเจ็บปวดและอาฆาตเต็มที่ตัวนั้นควบไล่ตามหลังไปอย่างติดสบัดเขาควักไหล่เขาตักเอาเสื้อเดินป่าเฉียดสีข้างไปแค่สองสานิว้วเสื้อตัวนั้นขาดควักไปปลายเขาแล้วร่างของชายยันก็สะดุดหลุมเล็กๆที่ดักอยู่ข้างหน้าล้มกลิ้งลงทันที ปึงกระเด็นหลุดมือไปทางหนึ่งภาวะนั้นมันเป็นภาวะที่ชุลมุนใจหายใจความสุดขีดของคณะพักแม้แต่ดารินผู้ห่างไกลออกไปแล้วแต่ก็ยังใช้กล้องส่องทางไกลส่องสำรวจเหตุการณ์อยู่ร้องออกมาสุดเสียงเมื่อเห็นควายป่าตัวนั้นหมุนตัวกลับพุ่งเข้าหาชัยยันอย่างพลันลวันในขณะที่เขาล้มกลิ้งเป็นลูกขนุนอยู่กับพื้นเชิดาวิ่งเข้าไป อนุชาวาดปืนตามแต่สวยสิ้นดีศูนย์จับเข้าแผ่นหลังของพี่ชายทำให้ไม่อาจเนียวไกลออกไปได้ดารินตายตาเหลือบโยนกล้องสองทางไกลทิง้งประทับจุดศาร00เวทบี B, ขึ้นไหลตลอนจะหยุดมันได้หรือในระยะที่ห่างกันตั้ง150เมตรในขณะ น, นี้ได้แต่ประทับปืนค้าง กระดิกไกไม่ได้เหมือนกันในฉากอันสับสนชุลมุนระคุนกระเสียงร้องแซ่วกเวกฟังไม่ได้สัพ์พวกลูกหาบก็ทิ้งของลงกัะพื้นวิ่งหือเขามารวมกลุ่มกะหล่อนป้องแสงแดดยืนเบิกตามองตะลึงพึึงเพริดอยู่ทุกคนยิงนายิงนายิงยิงสิเสียงขยินตะโกนกล้องอยู่ข้างหูหล่อนพร้อมกับกระโดดอยู่ย้อยยอยปสห ยิงกับผีอะไรเล่าเชษฐาอนุชาและหนานอินผู้วิ่งกันควายอยู่ใกล้เหตุการณ์ที่สุดในขณะ น, นี้ยังไม่อยู่ในฐานะจะยิงได้แล้วหล่อนจะยิงได้อย่างไงในเมื่อตัวเองห่างออกมาลิบดีไม่ดีถูกเอาคนเหล่านั้นเข้าไปอีกขณะ น, นี้ทางด้านหล่อนและลูกหาบทุกคนมองไม่เห็นร่างชา ย, ยันที่ล้มหายแวบไปในกอหญ้าแล้วเห็นแต่ไอควายมาหาการที่พุ่งเข้าใส่กลุ่ ม, มนุษย์ อย่างไรเหตุผลนอกจากความดูร้ายตามธรรมชาติของมันมันกำลังก้มหัวลงตำํำสบัดเขาควิดอยู่ไปมาเหมือนจะขยี้ชัยยันให้แหลกเป็นผงใบหญ้าและวัชพืชบริเวณนั้นกระจายว่อนเป็นฝอยระคนไปกับฝุ่นทุลีที่คลุ้งตลบขึ้นย่าว่าแต่ทางด้านดารินและลูกหาบที่ห่างออกไปเลยผู้อยู่ใกล้เหตุการณ์ที่สุดอีกสามคนคือเชษฐาอนุชาและนานอิน ก็ยังไม่สามารถมองเห็นร่างของชายันที่ล้มจมกอหญ้าลงไปต่อหน้าต่อตาได้คงเห็นแต่ไอควายป่าบ้าเลือดตัวนั้นกระโดดข้ามบริเวณนั้นอยู่ไปมาพร้อมทั้งแวงสะบัดเขาของมันพยายามตักขิดลงเบื้องต่อยางเมามันแผ่นดินบริเวณนั้นสะเทือนไปหมดด้วยเสียงเพ่นผลกระโจนของมันแต่ไม่ได้ยินเสียงร้องของชายันแม้แต่อึดเดียวตัวก็มองไม่เห็นว่าแหลกเหลวย่อยยับอยู่ตรงไหน เชษฐาไม่อาจจะรอจุดตายแบบประกาสิิธิ์อีกแล้วในภาวะเช่นนั้นได้เป้าส่วนไหนเขาก็ต้องซักส่วนนั้นแหละวิ่งเข้าหายอย่างลืมตัวลืมตายเพราะความเป็นห่วงเพื่อนปืนถืออยู่ในระดับเอวอดีท่านทูตทหารบอกกนลั่นกระสุนสนั่นวันไว้เข้าใส่ถูกตรงไหนขาหลังด้านซ้ายของมันหักพับลงในทันทีที่กังวานเสียงไรเฟิลของเชษฐา น, นัดนั้นดังขึ้น เขาวิ่งเขายิงในระยะเขาขนเช่นกันมันพยายามแวงตัวแต่คราวนี้ช้าเหลือประมาณระหว่างที่พี่ชายใหญ่ของตระกูลกำลังเอาลูกขึ้นรังเพลิงเพื่อจะซ้ำนี่เองอนุชากับนันอินก็ได้เป้าทั้งสองยิงเกือบจะพร้อมกันกระสุนทั้งอุแวินเม็กขับจุด3 7 5เจ็เอ็มเอนัดหนึ่งหากกระดูกก้านคอ อีกนัดหนึ่งทะลวงเข้าไปในรูหูผ่านช่องสมองในท่าที่กำลังยักเย่ยั ก, ย, กยันอยู่เจ้าควายยักคอพักเหมือนถูกสายฟ้าฟาแล้วล้มตะแคงตึงลงกับพื้นหญ้าเตียเตยๆขาทั้งสี่กระตุกถีบอากาศและพื้นรอบๆตัวในลักษณะชักเดก็ดกเดเดซึ่งก็เป็นเวลาเดียวกับที่เชษฐาอนุชาและหนานอิน วิ่งกระหืดกระหอบก็ามาถึงอย่างชนิดใจคอไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนึกวาดภาพไม่ถูกว่าชายันอนันไตรจะมีสภาพของร่างกายอยู่ในภาวะไหนดารินและขยินผู้ห่างต่อยออกไปก็วิ่งพลูเข้ามาเช่นกันอย่างเร็วจีรวมทั้งพวกลูกหาบที่ทิ้งข้าวของทั้งหมดกวดไล่หลังตรงก็มายังบริเวณที่เกิดเหตุเป็นพรวน บุคคลแรกที่เข้าถึงบริเวณเกิดเหตุคือเชษฐาต่อมาคือนานอินและอนุชาในเวลาไล่เลี่ยกันห่างไม่ถึงชั่วอึดใจภาพที่ทั้งสองภาพที่ทั้งสามมองเห็นเหมือนยกภูเขาออกไปจากอกและในที่สุดก็กลายเป็นความขบขันยิง่งชัยยันอันนันไกร ซึ่งแต่แรกทุกคนเข้าใจว่าร่างคงจะแหลกเหลวไปแล้วนั้นนอนหงายเหยียดยาวอยู่ในลำรางอันมีลักษณะเป็นหลุมยาวกว้างขนาดสองฟุตยาวกว่า2เมตรและลึกลงไปกว่าระดับพื้นหญ้าทั่วๆไปประมาณครึ่งเมตรลักษณะของเขาเอามือทั้งสองประสานควาีพาดอกไวอาการเหมือนสภาพการนอนของมัมมี่อียิปต์ โดยเฉพาะที่มือขวากําปืนสั้นจุด 4-4 แมกนัมประจำตัวไว้ด้วยกระพริบตาอยู่ปริบปริบเมื่อทั้งเชษฐาอนุชาและนานอินมายืนล้อมหลุมดูอยู่บริเวณปากหลุมทั้งสองด้านที่ปกคลุมไปด้วยหญ้าคาถูกปลายเขาของไอ้มาหิงสาที่ก้มลงขวิดกระจุยกระจายไปหมด เนื้อดินบริเวณขอบหลุมนั้นหลุดออกไปเป็นกระบิและบางส่วนก็ลนลงไปแทบจะ ก, กลบฝังร่างของเขาที่นอนอยู่จากหลุมยาวขนาดพอเหมาะที่ชายันกลิ้งลงไปนอนอยู่นั่นเองทําให้เขาหลุดรอดพ้นจากการบดขยี้ไปได้อย่างบุดบิดเพราะระดับมันต่ํากว่าที่ไอ้ควายเจ้ากรรมมันใช้เขาอันแหลมโค้งของมันได้กลายเป็นจุดกำบังอย่างดีเฮ้ย hey! ชัยันมมราชวงศ์อนุชาตะโกนลั่นขึ้น อ, โหโหโหโหอะไรกันเพื่อนส่วนพี่ชายใหญ่ถอนใจยาวงานอินอุทานว่าทำมันสังขังนึกว่าขาดเป็นท่อนไปซะแล้วนายทหารชัยันยิงฟันขาวแล้วบอกเรียบเรียบมันมาว่าสีคน ฝีมือปืนหวยหมดทุกคนรวมทั้งอาตมาเองด้วยเฮ้ยนึกว่าเละเบะลเหมือนกันถ้าไม่ใช่เพราะ ก, ก็ิงลงมาหล่นอยู่ในหลุมนี่เหมือนคุณพระคุณเจ้าช่วยไว้อย่างงั้นหละว่าไงมันเปิดหนีไปแล้วเลยเ <c oughs> ช็ดเท้าหัวเราะกึกๆึก้มลงไปส่งมือให้เพื่อนจัดแล้วชุดเพื่อนที่นอนอยู่ในลักษณะสบายใจเฉบให้ลุกขึ้นมา และวบุยปากไปยังซากควายป่ามาฮืมาที่นอนตะแคงคอพับอยู่ห่างจากปากหลุมที่อดีตนายทหารปืนใหญ่ลงไปนอนอยู่แค่ไม่กี่วาาเ้วก็มีภูเขามากองอยู่เลือดยังไหลออกจากบาดแผลรูกระสุนปริมปริ ม, รมอยู่เช่นนั้นช้ยันเป่าลมพลูออกจากปากเดินเข้าไปดูใกล้ๆแล้วยกเท้าขึ้นถีบศรีรษะอันใหญ่โตของมัน นี่เนี่ยไอรตตะโกนไล่ไปดีดๆเสือพรวดเขาใส่เลยหน่อยนัดแรกก็เสือผิดที่แล้วเขาก็หันมาทางเชษฐากับอนุชาย่นหน้าเขาใส่เออแล้วมือสองมือสามก็แย่มากฉันเห็นแล้วละ่ะตอนที่มันพุ่งเข้ามานัดแรกของฉันผิดแต่สองคนช่วยกันซัดกละตูมแทนที่จะคว่ำไปในทันทีมันกลับแค่ชะ ง, งักไปนิดหน่อยเท่านั้น แล้วก็ไลก่กลัวฉันอยู่คนเดียวพรานชดกับพรานเช่ติไม่ได้เรื่องเลยนันอินตอนนั้นไม่รู้อยู่ตรงไหนเกือบไปแล้วมแม่ละเราเฮ้ออนุชาคงหัวเราะอยู่เช่นนั้นตบไหล่ชัยันโทษทีโทษทีเพื่อนมันรื้อไปนานพี่ใหญ่ยิงสกัดก่อนฉันเข้าส่วนท้องเยื้องไปทางด้านหลังไอฉันก็กะว่าจะหากก้านคอมแม่แหละแต่มันวิ่งเร็วมากเว้ย เลยพลาดไปเข้าพุงเหมือนกันตอนนั้นน้าหนานอินยังไม่กล้ายิงเพราะกลัวจะถูกกันเองมีอย่างที่ไหนดันตะโกไล่มันยังมันเป็นควายไถนางั่นแหละแต่ถ้าแกไม่ส่งเสียงใอญอาขึ้นมันก็อาจจะวิ่งไปทางอื่นแล้วไม่ต้องมาชุลมุนกันเกือบตายแบบนี้เอามันจะไปรู้หรอะเห็นมันยืนเบิงทาฝึกฝัดฝุดฝัดอยู่นึกว่าะเพิดดังดังคงจะตกใจเพ่นไปนะดิ้ดันตัดเ่นเข้าใส่ แล้วคนอื่นก็ไม่เข้าหาซะด้วยเสือกวิ่งเข้าหาฉันคนเดียวทั้งๆที่ยืนกันอยู่สี่คนเรียงเป็นแถวเลยเอาก็มันโกรธแกที่แกไปเรียกมันไว้ทุยมั้งเชท้าพูดพลางหัวเราะพลางลนั่นไงทิ้งไรฟิลเราไม่นอนสบายใจเฉบอยู่ในหลุมนะ่ะเปลี่ยนมาถือปืนสั้นแทนทำท่าจะกบมา ม, มีของฟาโรนอนอยู่ในหีบศพนั่นแหละ กระปุนมันหลุดมืออ่ะจะทำไงผลบลงไม่นอนตั้งหลักในมุมได้อีตอนนั้นเหลือปืนสั้นติดตัวอยู่กระ บ, บอกเดียวก็กะรอว่าแตามันก้มหัวลงมาให้เห็นานัด ก, กะจะยัดมันด้วยอจุด4ีนี่ 1. แต่เห็นมันตักซ้ายตักขวาอยู่สองสามขวบเสียงดังสะเทือนยังก็ใครเอาจอบมาสับปากหลุมแล้วก็กระโจนข้ามหลุมผ่านเราไปฉันก็ยังไม่กล้าโผล่หัวขึ้นมา จนเห็นพวกแกมายืนหัวเราะกันอย่างนี้แหละงั้นนี่มันจบลงได้ยังไงอะพี่ใหญ่วิ่งกวดตามเข้ามายิงตัดขาหลังมันก่อนฉันก็เลยซ้ำบริการคอส่วนนั้นอินทะลวงผ่านรูหูเข้าสมองไปเลยเฮ้ยชายันถอนใจเฮือกแล้วโครงหัวดิกดิบเ้เถอะ้ยควายตัวเดียวสี่คน สั์กันรวมแล้วเจ็ดนักอีแบบนี้จะไปตามยอดชายนายราพินของเราได้ยังไงวะอีตอนที่มันขิดครั้งแรกอ่ะเฉียดสันหลังไปนิดเดียวเย็นว่าตั้งแต่เส้นผมถึงปลายตีนเเขาพูดในลักษณะบนขณะนั้นดารินขยินแล้วพวกลูกหากทุกคนวิ่งมาถึงแล้วพอจะมองเห็นเหตุการณ์แล้วว่าชายันลุกขึ้นมาได้ โดยไม่ได้รับอันตรายอะไรพอมาถึงพวกลูกขาบก็พลูเข้าไปรุมล้อมซากมาหิงสาตัวนั้นส่วนดารินร้องลั่นมาว่ายังไงมั่งชายันแทนคำตอบชายันหันหลังให้ดูรอยเสื้อที่ถูกปลายเขาขวิดขาดกระจุยไปล้วชี้ให้ดูหลุมที่ตนเองกลิ้งลงไปนอนหลบรอดมฤตยูเขางงได้ดารินอุทานออกมาแล้วก็ลโล่งอกหมดห่วงไปได้ พอพี่ชายกลางเล่าให้ฟังว่าชายยันนั่นแหละเป็นคนทาเรื่องขึ้นโดยการตะโกนไล่มันว่าไอ้ทุยมันยิงปาดเข้าใส่ก่อให้เกิดเรื่องขวัญห น, นีดีฟอ่อกันขึ้นดารินก็จ้องหน้าเพื่อนชายแล้วจุบ ป, ปากเบาๆอ๋อตะเพิดไล่มาหิงสาโดยการตะโกนด่ามันว่าไอ้ทุยก็สมแล้วนี่ดีที่ลูกชายไม่กาพร้าพ่อมาเรียก็ยังไม่ต้องเป็นไมม เห็นครั้งแรกเนะี่ยฉันนึกว่าเธอตายไม่มีทางรอดหรอกตะโถตะตินปืนกันทั้งนั้นแหละชัยยันว่าแล้วชี้กราดไปยังอนุชาเชษฐาหนานอินรวมมาถึงตัวเองด้วยไม่ใช่มือปืนเนอะควายตัวเดียวสี่คนรุมยิงรวมกระสุนละเจ็ดนัดสามอีกคนึยังวิ่งสตักแลบ เกือบสิ้นชื่อาแรกก็ไว้ใจเต็มเปลี่ยมพรานชดงี้หนานยินงี้เอาจริงข้าเราต้องวิ่งแันขี้แตกชายันเอตตโรไปลั่นทุง่งเพราะเคราะหร้ายกว่าทุกคนทั้งหมดก็เลยพากันหัวเราะอย่างคลื่นเครงภายหลังจากเหตุการณ์คลี่คลายไปแล้วในทางดีนี่นี่นี่ไม่ต้องโทษคนอื่นนะ ความผิดแต่มันเกิดขึ้นจากแกเองนั่นแหละชยันที่ไปทําเสียงเ อ, อะไล่มันก่อนฉันน่ะนึกไม่ถึงเลยนะว่าแกจะเห็นไม่หิงสาเป็นไอทุยไถนาถึงขนาดตกขากางเกงตะเพิดไล่มันได้ไอ้ครั้นไล่แล้วมันวิ่งกระใส่ตะโถเอ้ยนัดแรกยิงผิดซะอีก เ, เออแต่พอไล่แล้วมันพรวดกระใส่ก็ซัดตูมเดียวกลิ้งเข้าโรไปค่อยดูเหมาะสมหน่อยนี่ไล่แล้วตัวเองก็ไม่แน่จริงนี่หว่า มีโอกาสยิงทั้งสองนัดก็ยังล้มมันไม่ได้ต้องวิ่งแจงใช้ยันบนอุบอิดเอามือควายไปคลำหลังตัวเองที่เสื้อขาดวิ่นเนื้อผ้าหายไปว่างกว่าฝ่ามืออ้าวก็จะไปรู้เหรอเห็นระพินก็เคยทำอย่างนั้นฉันก็เลยทดลองดูบ้างไงแล้วก็ยิงสั่งไนดะ้อย่างระพินไหมล่ะในกรณีที่มันสวนก้ามาตนหน่ะสิ เหลังไม่เอาแล้วตอนที่มันวิ่งใส่ฉันมันทุ่งกับมาในแนวตรงเป้าหมายก็มีเพียงแค่หัวกับอกเท่านั้นก็กะว่าจะวางกระสุนกลางแสกหน้าหรือถ้าพลาดก็ให้เข้าอกชิๆชไม่รู้ว่ามันลอดขาหายไปไหนอีนัดที่สองก็ถูกแนวสูงตรงสันหน้าผาไม่ยากจะตัดเข้ากับโลกอดีนตนายทหารปืนใหญ่บนกระปอดกระแปดหน้ามุย่ย นานอินเดินไปเก็บไรเฟิลที่ตกอยู่ไม่ห่างนักมาส่งให้บอกยิ้มยิ้มว่าคราวหลังเอาใหม่นายทหารกให้ดีๆอย่ารีบร้อนความจริงถ้าปล่อยแพนชดกันนันอินเพียงสองคนโดยนายใหญ่กับนายทหารหลีกทางไปซะมันก็คงไม่ยุ่งยากอย่างนี้หรอกนานอินจะยิงในตอนนั้นแหละแต่ก็กลัวจะถูกกันเองจะว่านาันอินตีนปืนก็ยอมรับละ่ะ ยานยิงแค่นัดเดียวเท่านั้นเองนะเขารูหูตัดกะโหลกเลยกระสุนก็เล็กกว่าเจ้านายทั้งสามคนซะอีกก้ายินยืนฟังพวกนั้นพูดกันเรือร้าไม่รู้เรื่องถามพวกลูกหาละพอได้ความก็หัวรอาอฮาเข้ามาบอกกระชา ย, ยันเป็นภาษาของตนซึ่งชา ย, ยันพอฟังออกว่านายทหารไล่มันอย่างเดียวนะมันไม่ไปหรอก คราวหลังต้องเอาก้อนดินไล่ขวางมันด้วยถ้าจะทำให้เหมือนนายรพินน่ะลึง้งเดี๋ยววัดถีบจักเลยนี่ชยันตาเขียวตาหวะกแวะคราวนี้ทุกคนหัวเราะกันแทบมอหายดารินเข้ามาโอบไหลก่กอดเพื่อนชายผู้รักสนิทเหมือนพี่ไว้แล้วขอตรวจดูบริเวณหลังเขาที่ถูกขิดเฉียวไปเมื่อเห็นว่าไม่มีบาดแผลหรือรอยช้ำอะไรก็บอกให้เปลี่ยนเสื้อแจ้งให้เรียบร้อย แต่ใช้ยันสั่นหัวปฏิเสธเออช่างมันเอะไว้คอยเปลี่ยนตอนเย็นเวลาผัดเสื้อผ้าวันนี้ไปงี้ก่อนแล้วกันงั้นก็ไปกันเถอะทิ้งมันไว้ น, นี่แหละไม่ต้องไปเสียเวลาช้ำแหละเนื้ออะไรทั้งนั้นแหละเชี่ยถาตัดบทบอกให้พักพวกเดินต่อทันทีแล้วก็เพิ่งจะหันมาพิจารณาเห็นว่าพวกลูกหาบทั้งหมดที่วิ่งย้อนกลับมารวมกลุ่มอยู่ด้วยมีแต่ปืนติดมือมาเท่านั้น ข้าวของสัมปะระหายไปหมดจึงถามขึ้นนายชวนหัวหน้าลูกหาบจึงบอกว่าของทึงไว้ตรงโน้นแหละครับในายใหญ่เดี๋ยวเราเดินไปก็พบกองอยู่เองตกกระจายอะนึกว่านายทหารเสร็จไปแล้วหรือวิ่งตามนายหญิงมาด้วยทั้งหมดหัวหน้าคณะพยักหน้าแล้วทุกคนก็ออกเดินไปตามแนวทางที่พวกลูกหาบผ่านไปก่อนแล้วโดยเร็วโดยตัดไปกลางทุ่งโลง่งยกเว้นหนานอินคนเดียว ที่เดินแยกห่างออกไปเหมือนจะสำรวจร่องรอยอะไรไปตามเรื่องของแกแต่ความโปร่งโล่งของสถานที่ทำให้มองเห็นกันได้จิงไม่มีอะไรต้องกังวลดารินสังเกตเห็นชยานารมณ์ไม่ค่อยจะดีนะักก็เลยเดินเคียงชิดคอยพูดเอาใจอยู่ใกล้ๆด้วยน า, นาชยันเรื่องที่ผงอะเราผ่านเหตุการณ์ร้ายกันมายิ่งกว่านี้ร้อยเท่าพันเท่ามาแล้วนี่นา เออใช่เรื่องกีบผงไอ้พวกนั้นะมันรุมเงินแซวฉันแล้วเห็นหรือยังเพียงแค่วันที่สองเท่านั้นะฉันก็เกือบจะเอาชีวิตมาสังเวยซะแล้วน่ามันเป็นไรหรอกคนดีพระคุ้มเสมอละ่ะก่อนที่จะถึงสัมภาระที่พวกลูกหาบทิ้งกันไว้กลางทางนานอินผู้แยกเดินตรวจ ด, ดูรอยอะไรของแกไปตามลำพังห่างทางด้านซ้ายมือของทุกคนออกไป ใกล้กับป่าแดงชายเขาก็ป้องปากกโวกเรียกมาทั้งหมดเหลียวไปดูเห็นแปะกวักมืออยู่เดี๋ยวนะครับนั้นอิงคงจะมีอะไรสักอย่างหนึง่งผมจะเข้าไปดูพี่ใหญ่กับทุกคนตรงไปที่กองสัมภาระก่อนแล้วกันมอมราชวงศ์อนุชาพูดขึ้นโดยเร็วเดินพระแยกจากพวกไปในทันทีเชษฐาก็บอกว่า งั้นเราไปที่นั่นด้วยกันทั้งหมด4ี่คนดีกว่าให้ขยิ่งกับพวกลูกค้าไปรอตรงโน้นก่อนแล้วกันความเห็นของพี่ชายใหญ่ตรงกระชยันและดารินอยู่แล้วต่างเข้าตามออกเดินตามพรานชดไปทั้งหมดดารินร้องสั่งขยิ่งกับพวกลูกค้าให้ตรงไปรอคอยอยู่ที่กองสัมปาระก่อนซึ่งพวกนั้นก็รับคาปักแยกทุ่งไปอีกทางหนึ่งอุดใจใหญ่ ทั้งสี่ก็มาถึงบริเวณที่นานอินยืนรอคอยอยู่นานแล้วและโดยที่พรานครูเท่ายังไม่จำเป็นต้องบอกอะไรทั้งสิ้นพอถึงที่นั่นทุกคนก็มองเห็นสิ่งอันเป็นต้นเหตุให้นานอินหยุดยืนพิจารณาอยู่พื้นตรงนั้นเรียบโล่งพอสมควรมีรอยดำไหมของกองไฟที่ใครมาก่อไว้ตรงกลางอาณาบริเวณกว้างประมาณ3ามตารางเมตร มีรอยฟืนดุนเล็กๆที่ตัดออกมาจากซุ้มละเมะใต้เคียงเหลือทิ้งไว้เป็นรัศมีวงกลมเจ็ดุปดลลักษณะถูกพรากออกจากกาันเป็นการราไฟหรือดับให้หมอดลงภายหลังเมื่อไม่ต้องการกองไฟนั้นแล้วอ๊มีรอยก่อไฟไว้เนี่ยเช็าอุทานขึ้นอย่างงงงงชายันกระดารินขมวดคิ้ว ส่วนอนุชาหันมองสำรวจบริเวณไปรอบๆเหมือนจะหาร่องรอยอย่างอื่นพวกไหนกันนี่มาก่อไฟไว้กลางทุ่งแล้วดับแบบนี้ไอ้จะว่าเป็นไปสำหรับหูงหาหรือไฟทักแรมก็ไม่น่าจะเป็นไปได้นะชายนเอ่ยขึ้นเบาๆลักษณะนี้มันไม่ใช่ไฟสำหรับหุงหาหรือแรมคืนหรอก อนุชาผู้ชำนาญต่อร่องรอยเท่าๆกับพราณาชีพบอกมาเสียงขึ้ขึ้น ม, มันเป็นกองไฟที่ก่อขึ้นเพื่อเจตนาจะให้เกิดควันเท่านั้นแหละดูวยดีๆจะเห็นมีรอยตัดแฝกและหญ้าสดสุมเข้าไปในกองส่วนฟืนรุ่นเล็กๆที่พากออกไปจักกันนั่นใช้เป็นเชื้อเฉพาะครั้งแรกเท่านั้นพอไฟติด ก, กไม้ก็เอาพวกหญ้าสุมเข้าไปให้เกิดควันไง สุมไฟให้เกิดฟันมันหมายถึงเพื่ออะไรดาเรนร้องออกมาพี่ชายตารีตาคิดเอามือจับปลายคางแล้วเหลือบดูพรานคู่ใจซึ่งยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามของกองไฟนานอินบุยปากไปทางด้านหลังของแกซึ่งมีเพิงชะงอนหินขนาดใหญ่เป็นเงาร่มห่างออกไปไม่ไกลนัก นายรพินจะก่อไฟสุมควันเพื่ออะไรนานอินก็ไม่รู้แต่เป็นคณะของนายรพินแน่ๆถ้าไปที่ชะ ง, ง่อนหินตรงนั้นจะมีรอยของพวกนั้นมาพักกินอาหารกลางวันกันอยู่ที่นั่นกระป๋องสเบียงของพวกฝรั่งก็หีบไม้กล่องกระดาษอะไรก็ไม่รู้กวาดแอบรวมๆกันอยู่ใต้เพิงหิน เป็นคณะของนายราพินแน่ๆไม่ใชใครอื่นนอกสดับคำบอกเล่าของพรานเท่าเช่นนั้นทุกคนตาลุกทันทีและโดยยังไม่เอะพูดอะไรกันเลยพรานชดหรืออนุชาวราริศสาวเท้าออกเดินตรงไปยังที่หมายซึ่งนานอินชี้บอกทันทีทุกคนก็พรูตามเข้ามาด้วยมันตรงตามที่ครูพรานผู้เท่าบอกไว้ทุกอย่างกระป๋องของเครื่องเรชั่น ตลอดจนร่องรอยของการมาพักหยุดรับประทานอาหารของคณะล่วงหน้าไปก่อนแล้วปรากฏอยู่ที่นั่นจริงนอกจากนั้นยังมีกล่องกระดาษแข็งสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดใหญ่คล้ายๆบรรจุเค็หรืออาหารอะไรสักอย่างหนึ่งพลาสติกห่ออาหารบางๆและที่สำคัญที่สุดก็คือลังไม้ฉันฉารูปร่างยาวสูงประมาณ1ฟุตกว้าง8นิ้วฟุต และยาวเม็ดเศษๆกองรวมอยู่ด้วยเอ๊ะดูสิมันหีบอะไรเชษ่าพูดเร็วหรือนันอินก็สุดตัวลงนั่งเอื้อมมือลอ่อใต้แง่หินไปเขียออกมาทันทีชายันกระดารินกระโดดเข้าไปชะโงกดูเมื่อแกเปิดฝาที่วางปิดไว้ลวกๆออกภายในยังมีกล่องกระดาษลักษณะแบนยาวอยู่อีกสองกล่อง วางรอบด้านล่างกันกระเทือนไว้ด้วยโฟมเชยันคว้ากล่องหนึ่งขึ้นมาทันทีพอมองเห็นก็ร้องมาดังๆว่าเฮ้ยกล่องไรฟิลวินเชสเตอร์ขนาดจุด 4-5-8 แม็กโมเดลเดน70เชธาและอนุชา ก, ก็โดดเข้ามาทันทีชยันส่งให้ดูตรา ย, ยี่ห้อปืนอันติกอยู่กระด้านข้างส่วนหน้าของกล่องแล้วตาลีตะเลือกฉ่วยอีกล่องขึ้นมาดู เหมือนกันทั้งสองก็บอกเลยทุกคนมองหน้ากันเองนิ่งไปอึดใจเชี่ฐากัดเต็มฝีปากเบาๆเอ่ยขึ้นช้าๆอย่างใช้ความคิดว่าเวลาเข้าใจว่าเที่ยงหรือราวๆนั้นนะ่ะนะที่รพินพาพวกนั้นมาถึงที่นี่แล้วก็หยุดพักกินอาหารกลางวันกันแล้วเขาก็ชี้ไปที่กองไฟประหลาดที่พบกลางทุ่งถามหนานอินว่า ลุงลุงว่ากองไฟนั่นพวกระพินก่อไว้แน่เหรอสังเกตได้ไหมว่าลักษณะของมันน่ะผ่านมากี่วันละอนุชาตอบแทนมาทันทีว่าเชื่อว่าคงไม่ใช่คณะอื่นหรอกพี่ใหญ่ที่ก่อกองไฟไว้ลักษณะของเท่าทานและหญ้าอ่อนที่เพิ่งจะแซมขึ้นมาเล็กน้อยแต่ว่าคงจะไม่เกินเจ็ดแปดวันที่แล้วมานี่ เชิดขาพยักหน้าช้าๆเอาละเอาละก็เป็นนั้นว่ารับพินกับพวกนายจ้างมาถึงที่นี่พักตรงนี้กินอาหารต่างวันกันเวลาเดียวกันก็ก่อกองไฟไว้ตรงโน้นในที่โล่งออกไปลักษณะของการก่อไฟทั้งตางและลุงอินก็บอกไว้แล้วว่าไม่ได้หวังความร้อนเพื่อหุงต้มแต่คงไม่มีอะไรจะต้องหุงต้ม ในเมื่อมีสเสบียงแห้งพร้อมอยู่แล้วส่วนเชื้อเพลิงก็เป็นพวกหญ้าและใบไม้เพื่อให้เกิดควันอย่างเดียวก็แปลว่าเขาสูบควเพื่อให้เกิดควันสัญญาณอะไรสักอย่า ง, งเว้นระยะไปอีกครู่ตาเปลี่ยนมามองจับอยู่ที่กล่องไรเฟิลและกล่องกระดาษสี่เหลี่ยมจะตุรัสอีกครั้งบุยปาจากการสอบถามของเรา ที่มีต่อคุณนำพลที่หนองนำแห้งว่าฝรั่งพวกนั้นใช้ปืนอะไรประจำตัวก็ได้รับคำยืนยันว่าอเมริกันทั้งสี่คนอันเป็นชายสองหญิงสองล้วนใช้ M16 แบบคอมมานโดทั้งสิ่งมีนายทหารหนุ่มลูกชายนายพลที่มาด้วยเพียงคนเดียวที่ใช้ไรเฟิลจุด3 7มเ็มมาคราวนี้เราพบหีบไม้บรรจุกล่องไรเฟิลยี่ห้อวินเชสเตอร์ โมเดลน70กระสุนจุดสี่แมจุดแมกนัมแอฟริกันสองกล่องมีรอยแกะออกใหม่ๆแล้วทิ้งไว้ตรงนี้กับกล่องอาหารหรือขนมประเภทเค้กขนาดใหญ่นอกเหนือไปจากเศษกระป๋องเรชั่นสิ่งที่เรารู้แน่ๆก็คือไรเฟิลซึ่งบรรจุมาในหีบไม้ฉ่ำฉาและกล่องกระดาษอาหารหรือขนมนั่น คงไม่ได้นำติดตัวมานับตั้งแต่ออกเดินทางมาครั้งแรกแน่เอาลักลางเฉยยันน้อยใครตอบคำถามหรือตั้งสมมุติฐานอะไรได้บ้างชฉยยันดีดนิ้วโดยแรงบอกมาทันทีว่าฉันมามีการส่งของทั้งสองอย่างมาทางอากาศแน่วะวิธีไหน สงมายังไงก็วิทยุติดต่อขอให้ส่งของด่วนกระตันหันที่ต้องการไอกองไฟกลางทุ่งลักษณะสมควันนั่นคือควันสัญญาณพาหนะที่จะนำมาส่งให้คือหอซึ่งอาจจะเป็นพวกกันชิปตำแหน่งนั ก, มกหมายก็เหมาะสมที่สุดแล้วคือกลางทุ่งโล่งริมภูเขาอันจะช่วยให้บินมองเห็นได้ไง่ายคราวนี้พรานชด บอกมาเร็วปืนแล้ ว, ว่าคอปเตอร์มาลงที่ทุ่งนี่เหรอคะดารินร้องอย่างตื่นเต้นก็ไม่จำเป็นต้องลงแลนดิ่งรรอกผู้ตอบคือชา ย, ยันก็เพียงแค่ลดเพาดาน ต, ต่ำลงมาไม่เห็นสัญญาณควันไฟรวมทั้งวิทยุติดต่ออาจจะลอยตัวอยู่เหนือทุ่งหญ้าสูงกว่าระดับขึ้นไปนิดหน่อยเท่านั้นแล้วก็ย่อนหีบนี่ลงมาให ก็เท่านั้นเองเป็นการส่งกำลังบำรุงทางอากาศได้แล้วอย่างสะดวกที่สุดอู๋หมอมราชวงศ์สาวคนสวยคลางออกมาเอามือทั้งสองกุมประสานกันไว้ที่ อ, อกพี่ชายใหญ่คงพยักหน้าอย่างพอใจในข้อสันนิษฐานนั้นสรุปท้ายให้ฟังว่าแล้วถ้าจะให้พี่ชายต่อไปอ่ะนะ พี่ว่าไอ้วินจุดหทั้งสองกระบอกก็คงจะเป็นของนายสแตนลีย์กับนายคิดอเมริกันสองคนนั่นที่ขอให้หน่วยเหนือส่งมาให้ภายหลังจากที่มารู้ความจริงทีหลังจากประสบการณ์ว่าไรเฟิลขนาดหนักเท่านั้นจึงจะเหมาะสมในเส้นทางที่เขาจะไปไม่ใช่มัวแต่บ้าถือปืนประเภทที่พลร่มหรือพลประจำรถถังใช้อยู่อย่างที่ใช้มาแต่แรก สาเหตุที่ต้องการไรเฟิลขนาดใหญ่ก็คงเป็นเพราะเคยปะทะกระช่างที่ซับบอนมาแล้วในวันก่อนที่จะออกเดินทางผ่านมาที่นี่ถ้างั้นก็คีวีดีได้แล้วละครับพี่ใหญ่สำหรับหลักฐานที่เห็นกันอยู่นี่อเมริกันสองคนที่มากับคณนะขอไรเฟิลขนาดเดียวยี่ห้อเดียวกับที่ไรระพินใช้อยู่โดยให้หน่วยเหนือส่งมาให้ มีจุดนัดพบกันที่ทุ่งอันเป็นทางผ่านและหยุดพักกินอาหารกลางวันกันพอดีน่ะน้อยระยะทางมันก็ห่างกันมาไม่ถึงสิบวันนี่เองพวกเราทายรูปกันอื่นใกล้เคียงความจริงกันได้หมดแล้วรันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเธอมั่งลองใช้ความสามารถพิสูจน์กล่องกระดาษลักษณะใส่อาหารปรุงใหม่ๆหรือขนาดเค้กล่องนั้นดูสิว่ามันควรเป็นอะไรกันแน่ ดารินวราริอยัง ง, งุนงงประหลาดใจในสิ่งที่รับทราบนั้นอยู่ไม่หายพอถูกพี่ชายกลางเตือนมาหล่อนก็สุดตัวลงนั่งค่อยๆหยิบกล่องกระดาษสีขาวไม่มีตราอะไรทั้งสิ้นกล่องนั้นออกคลี่ดูภายในแล้วยกขึ้นดมระยะมันหลายวันมาแล้วจึงได้แต่กลิ่นหืนจางๆกล่องใส่อาหารประเภทไหนมาก็ไม่รู้สิ แต่มันไม่ใช่เค้กแน่ๆแต่เอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ย ว, ยวประโยกหลังหล่อนร้องเร็วปรึเมื่อมองเห็นถุงพลาสติกเล็กๆทิ้งข้างอยู่ในนั้นสองถุงหยิบขึ้นมาดูโดยเร็วมีรอยแกะออกแล้วและวัตถุที่ยังอยู่ในถุงก็ยังเหลือค้างอยู่โดยไม่ได้รัอยางไว้อย่างใดทั้งสิ้นแบบจตนาทิ้งไว้อย่างไม่สนใจต่อไปถุงหนึ่งมีลักษณะ เป็นเหมือนผงของใบไม้ป่นหล่อนเอานิ้วแตะขยี่ดมและพิจารณาดูอีกถุงหนึ่งพิซซ่ามอมราชวงศ์สาวร้องลั่นทุกคนลืมตาโตยกเว้นหนันอินคนเดียวซึ่งไม่สู้จะเข้าใจอะไรนักนอกจากพบร่องรอยอะไรก็นำไม้หินเท่านั้นเธรู้ได้ไงน้อยว่าเป็นพิษซ่าชายันถามเร็วหรือ ดารินคีบเอาถุงพลาสติกทั้งสองส่งให้พี่ชายและเพื่อนดูก็ดูนี่ดิใบเครื่องเทศป่บนบางชนิดกันเนยแข็งผงสำหรับปรุงพิซซ่าโดยตรงเหลือทิ้งอยู่ในกล่องนี่เป็นพยานหลักฐานสำคัญที่สุดว่าไอที่บรรจุใส่กล่องมานี่จะเป็นอื่นไม่ได้อย่างเด็กขาดนอกจากอาหารของไอเลี้ยนที่ไอกันชอบกินงันเชืฐาอนุชาและชยัน ส่งเวียนกันดูแล้วผิวปากยาวส่วนชายันซึุดตัวลงนั่งใกล้ๆกระซิบว่านีกน้อยหวังว่ามันคงไม่สั่งกันมากินเฉพาะพวกของมันเองอะนะอย่างน้อยก็คงสั่งมาเพื่อรับพินของเธอสักแผ่นก็ยังดีก็คงจะหย่อนลงมาให้พร้อมๆกับหีใบเฟินจากคอลํัมนั้นเหรอดารินลิ ง, งนัน ลงใกล้เที่ยงริมเชิงเขาพัดเส้นผมหล่อนปลิวมาแตะที่ขนตาอันรีซึมด้วยอาการพวังนั้นคำพูดชนิดนั้นเป็นเพียงแค่กระซาวเยาแย่เล่นของชายันเท่านั้นหรือไม่ก็ประสงค์จะสร้างอารมณ์ขันให้กับเพื่อนสาวไม่ได้มีเจตนาร้ายอย่างใดทั้งสิ้นแต่คนที่มีแผลปวดร้าวอยู่ในใจเกี่ยวกับความทุกข์ระทมในด้านความพัดพราก จากของรักอยู่ก่อนแล้วเช่นดาริมซึ่งการเหนื่อยหนักการผจญภัยในวันนี้ได้ทำให้ลืมคิดไปซะชั่วขณะต้องขวนกลับมารลึกถึงความเจ็บปวดนั้นอีกจึงทำให้หล่อนต้องซึมเสื่องไปในฉับพลันแล้วก็คิดอะไรต่ออะไรไปอีกไกลสารพัดอย่างซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปมปัญหาทางสิทธ มันก็หนีไม่พ้นคำเพียกหาอยู่ในใจว่าระพินป่านนี้เธออยู่ที่ไหนนะเธออยู่ไหนระพินพักพวกเดินบนเวียนตรวจดูร่องรอยและพูดจากันอยู่บริเวณนั้นโดยยังไม่มีใครจะทันหันมาสังเกตอาการของหล่อนผู้นั่งคุกเข่าอยู่ตรงหน้ากลองอาหารมีรอยราขึ้นเป็นจุดดำๆนั้น เสียงเชิาบอกกับพวกนั้นว่าเอ๊มันเล่นส่งกำลังบำรุงกันได้ทางอากาศตลอดเวลาแบบนี้นี่เห็นจะไม่เหมาะแน่พี่ใหญ่ครับผมคิดว่าอาจจะเป็นเพียงแค่ระยะแรกๆนี่เท่านั้นแหละเสียงหม่อมราชวงศ์อนุชาตอบมาต่อไปอีกสักพักหนึ่ง รถ้ารพินนำคณะพวกนั้นล่วงผ่านเข้านรกดำไปแล้วผมเชื่อว่าทั้งคณะคงไม่มีโอกาสติดต่อกับไอ้โฮควบคุมการเดินทางได้อีกไม่ว่าจะมีเครื่องมือสื่อสารดีเลิศสักขนาดไหนโถ่ป่าลุงสำรวจในภาคพื้นนี้พี่ใหญ่และพวกเราทุกคนก็รู้กันดีอยู่แล้วนี่ครับว่าอำนาจอาถรรพ์ของมนนันอยู่เหนือจิตใจและเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์เช่นไรบ้างถ้าเครื่องมือของพวกนั้นดีจริง ก็คงไม่มาจ้างรับพินให้นำทางโดย ว, วิธีเดินเท้าย่ำดงกนเนาะสำรวจหาทางอากาศไม่สะดวกสบายกว่าเหรอตีเพียงแค่ค้นหาซากหรือตำแหน่งตกของบีห้าสองเครื่องนั้นนี่กักถูกไหมว่ารับพินพาพวกนั้นมาถึงที่นี่เวลาสักขนาดไหนผมว่าไม่เร็วไปกว่าบ่ายโมงนั่นแหละครับ คือมาถึงสายกว่าเรามากทีเดียวในเส้นทางเดียวกันระหว่างซับบอนกับจุดหมายที่นัดพบฮอที่นี่เพื่อนำของมาส่งให้พวกเรามาถึงจุดนี้เร็วกว่าของรพินในวันนั้นแน่นอนเวลาของพวกเราขณะนี้เพียงแค่ส1อโมงกว่านิดหน่อยเท่านั้นสรุปก็คือเราเดินทางเร็วกว่าเขาเหตุผลอาจจะเป็นเพราะว่าสัมภาระน้อยกว่าทาให้มีความคล่องตัวกว่า ทุกคนฝ่ายเราก็ชำนาญในการเดินทางทั้งนั้นส่วนทางด้านระพินน์น่ะนอกจากสัมภาระที่หนักกว่าแล้วฝรั่งสี่คนก็อาจจะเป็นตัวอุปสรรคถ่วงเวลาให้เดินช้าลงมิหนำซ้ําก็อาจจะเกี่ยวพันกับระยะเวลานัดหมายที่จะต้องมาถึงที่นี่ให้ช้ากว่าเวลาปกติมิฉะนั้นจะคลาดกาฮอลำที่จะนําของมาส่งผมขนานอินสามารถบอกได้ต่อไปนะครับว่า หน้าวันที่พวกนั้นมาถึงที่นี่สภาพอากาศปลอดโปรง่งแดดแรงเหมือนวันที่เรามาถึงนี่แหละไม่มีฝนนี่ฉะนั้นจะก่อไฟกลางกลางทุ่งไม่ได้สะดวกแล้วคงไม่นั่งอาศัยบังหลบเงาแดดกันอยู่ตรงนี้เอาแค่ผลนป่าไัยเดินตัดทุ่งแฝกัทุ่งหญ้าคานี่มากลางแดดเปรี้ยงๆถ้าไม่ใช่คนเดินดงอาชีพอยู่ทุกเมื่อเชื่อ ว, วัน ก็แทบะอาเจียนเป็นโลหิตเลยครับเชิฐาและชยันไม่มีข้อโต้แยง้งเหตุผลของอดีตพรานชดดาษเพราะหลักฐานร่องรอยในป่าแล้วราชสกุลหนุ่มนักเดินป่าผู้ผ่านประสบการณ์มาอย่างโชคโชนจนเทียบเท่าพรานชั้นยอดคนหนึ่งย่อมชำนาญเหนือกว่าทุกคนในคณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีหนานอินมาเป็นคู่คิดประกบอยู่ด้วยเช่นนี้จึงเชื่อมั่นได้แน่นอน ว่าการมีหม่อมราชวงศ์อนุชานำทางในครั้งนี้ไม่ผิดหวังเลยเพียงแค่สองวันแรกของการออกสาวรอยทับเส้นทางเดินของระพินไปเท่านั้นก็สามารถซื้อรู้ได้หมดแทบจะเรียกว่าทุกฝีก้าวยากไม่ว่าพวกที่ล่วงหน้าไปก่อนจะมีการเคลื่อนไหวอย่างไรเขาจึงเปรียบเสมือนนักสืบและนักสาวรอยชั้นเลิศแม้จะไม่ใช่ระพินไพวันด้วยตัวเอง ก็จัดว่าเฉียดเข้าไปแล้วสำหรับเหตุการณ์ในป่าดงพงไพรยรบพินนำทางเราในครั้งก่อนนี้ไม่ได้ผ่านทุ่งตอนนี้เลยนะเป็นภูมิประเทศที่เราไม่เคยเห็นกันมาก่อนมีชื่อเรียกไหมเนี่ยเขาเรียกว่าทุ่งอะไรชายันหันไปถามขึ้นในขนาดที่ยังนั่งพักขากอดเข่าอยู่กอดเข่าอยู่แต่ก็ไม่ได้สนใจกับาการนิ่งซึมของเพื่อนสาวใกล้ เป็นพวกกรเรียงเรียกชื่อทุ่งนี้อนะก็รู้จักกันดีมานานแล้วแต่เป็นไทยว่าทุ่งแรกสิ ป, ปีก่อนนี้นะ่ะที่ทุ่งนี้นะ่ะมันมีแรดชุมมากถึงเดี๋ยวนี้ก็ยังพอหลงเหลืออยู่บ้างนะนานๆจะพบสักตัวก็พยอยอดชายนารพิน์ของเรานั่นแหละดักจับให้คุณอัมพลส่งออกนอกซะหลายตัวแล้วที่นี่เวลาน่าฝนหญ้าสูงท่วมหัวหน้าแรงหญ้าก็แห้งเกรียมไปหมด ไฟป่าก็เกิดขึ้นอยู่บ่อยๆร่กายแดดแผดร้อนจนแสบผิวหน้าเจตหาเงนมองไปยามทิวเขาหินที่กั้นยาวเหยียดเป็นกำแพงขวางกั้นอยู่เบื้องหน้าหลังป่าแดงเข้าไปเล็กน้อยเจอยังไงกันต่อไปนี่กลางผมว่าตัดป่าแดงนี่อีกหน่อยคิดกระตินเขาด้วยเลยครับ แลวผมจะพิจารณาดูอีกครั้งหนึง่งว่าเราพินำพวกนั้นนาไปทางด้านไหนแน่ซึ่งเหมือนก็เป็นปัญหาหน้าทิดอยู่เหมือนกันเดี๋ยวถึงที่นั่นสักก่อนผมจะบอกให้ทราบว่าปัญหาอะไรอ่ะงั้นก็ไปพี่ชายใหญ่พยักหน้าบอกสั้นๆแล้วหันมาเห็นน้องสาวเล็กยังนั่งสงบอยู่ก็เดินเข้ามาเอามือตบหลังออลุกลุกน้อยบุกตอ่อเราจะพักเที่ยงกันที่เชิงเขาเนิ่น หอนตื่นจากาวางคิดลุกขึ้นเป็นคนสุดท้ายเจตหาเพิ่งจะสังเกตเห็นหนา ก, การเสื่องซึมนั้นจึงเดินเคียงไปใกล้ๆโอบไหลไว้เป็นไาไปน้อยเหนื่อยมากหรือไม่สบายเหรอดารินฝืนยิ้เปล่าคะพี่ใหญ่คิดอายอยู่ความจริงควรจะมีกำลังใจขึ้นมากแล้วนะ ผลการสืบสวนร่องรอยของกลางน่ะเป็นที่น่าพอใจเราพบรอยเขาทุกระยะทีเดียวในสองวันแรกนี่เชื่อฝีมือกลางกันหนานอินขอเขเถอะน้อยมีหวังแน่ทีแรกก็เห็นกระปรี้กระเป๋าแข็งแรงดีทำไมตอนนี้สังเกตดูเธอจะท้อแท้ซึมใบอ่ะไม่มีอะไรหรอกครับพี่ใหญ่น้อยกำลังกังวลถึงเจ้าด้วนนะ่ะมันแยกทางไปจากเราซะแล้ว น้องสาวกลบเกลืนอะไรต่ออะไรหลายหลายอย่างที่สูงประดังอยู่ในใจออช่างมันนะนะน้อยหมกังวลอะไรอยู่ก็ไม่รู้น้อยช่วยมันแล้วก็เป็นกุศลผลบุญสําหรับตัวเองมันก็ไปตามทางของมันจะหวังให้มันมาเดินตามต้อยต้อยหรือเดินตปกับเราตลอดเวลาได้ยังไงมันน่ะช้างตาไม่ใช่ช้างเลี้ยง